เราทําความสงบได้หลายแบบเห็นไม่น้อยก็สามแบบสามวิธีด้วยกันอย่างแรกเลยว่าสงบทางกายภาษาบาลีว่ากายเยหมายความว่าเราอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงมารบกวนไม่มีสิ่งกระตุ้นเราทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่างการมาอยู่ป่าหรือว่าการเก็บตัวอยู่ในุติอันนี้เรียกว่ากายวิเวศส่วนหนึ่งต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของศีลอย่างเช่นศีนแตนเน่ยข้อที่เจ็ดที่ว่างดเว้นจากการร้อนรำการขับประโคมการเล่นดนตรี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 ทางผัสสะทั้งห่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเช่นการที่คนเรากินน้อยใช้น้อยอยู่อย่างเรียบง่ายบ้านไม่มีโทรทัศน์วิทยุอยู่ในที่ที่ไกลาจากเสียงรบ ก, กวนนั่นกายวิเยนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ง่ายอันนี้ก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งเป็นความสงบเบื้องต้นความสงบประการต่อมาคือความสงบทางจิต อย่างเช่เราฝึกสมาธิจะเดิญสติกอันนี้อาจจะเกิดจิตตะเวียดเวึ่งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมเลยก็ได้เช่นเราอาจจะอยู่กลางถนนอยู่กลางเมืองแต่ว่าใจจะสงบสงบเพราะว่าเรากําลังทําสมาธิอยู่บนรถเมล์จิตนิ่งหรือยิ่งทํามาอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้อต่อกายวิเว น, นี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความวิเวทางจิตมากขึ้น อันนี้เป็นเความสงบทางจิตซึ่งอาจจะอาศัยหรือไม่อาศัยสิ่งวาร้อนก็ได้แต่ว่าผู้ใหม่ก็ต้องอาศัยสิ่งวารร้อนมาประกอบขั้นสุดท้ายซึ่งสูงสุดคืออุปที่วด้วยคือปลอดจากกิเลสไม่มีกิเลสที่จะมากระตุ้นให้คุณมัวเศร้าหมองโกรธหรือว่าเล่าร้อนก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งเรียกว่าอุปสมะสุขความสุขที่เกิดจากการ สงดจากกิเลสนั่นเราลองเลือกดูว่าเราอยากจะสงบแบบไหนผู้ใหม่ก็ต้องฝึกให้เกิดจใจวิเศก่อนจัดสรรชีวิตหาสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยทำให้รู ป, ปรจิตเสียงภาษาที่จะมาประตุนเราจิตใจได้ความสงบมีหลายอย่างในทางเดียวกันการอยู่คนเดียวก็ทำได้หลายอย่างทำได้หลายแบบ เราจะอยู่คนเดียวแบบไหนถ้าอยู่คนเดียวแบบอริยวินัยก็อย่างหนึ่งถ้าอยู่คนเดียวแบบโลกโลกก็อย่างหนึ่งอยู่คนเดียวแบบโลกโลกโลกก็หมายความว่าเราจะตัดตัวของเราให้เกี่ยวข้องกับใครเลยอันนั้นก็เรียกวอยู่คนเดียวได้อยู่ในห้องอันนั้นก็อยู่คนเดียวได้อันี่แบบสามมารแบบพื้นแต่ถ้าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยอริยวินัยกคืออยู่คนเดียวตามภาษาธรรม หรือว่าตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ดีกว่านั้นก็คือว่าการไม่เพื่อเพลินในอนายตนะหกหรืออายตนะภายนอกก็คือไม่เพื่อเพลินในรูปวิ่นเสียงสัมผั ส, สมันธรรมอารมณมสัมผัสหรือโผฏพัพธ์ก็คือเรื่องที่กายเข้าไปไปสัมผัสรับรูบร้หนุ่มแข็งอ่อนเย็นอ่าอันนี้เป็นเรื่องของโผฏพัทธ์ธรรมอารมณ์ก็คือเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกความนึคิดเมื่อเราไม่ไปเพลิดเพลินในอายตนาภายนอกก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินยัยหมายความว่าทั้งน้นที่เราอาจจะอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากแต่ว่าใจเราไม่ส่งออกนอกไม่ฟุ้มซ่านากับภายนอกแล้วก็ไม่คล้องแวะอยู่กับภายในในภายในนี่ก็คือเรื่องของทํรอารมณ์นี่แหละ ถ้าเราไม่ไปแสบสายกับภายนอกหรือไม่ไปเพลิดเพลินห้งองติดเนียทั้งภายนอกรูปโรสกิก่นเสียงสัมผัสหรือว่าภายในคือเรื่องความรู้สึกนิสัยความเศร้าความโกรธเนียให้ช่อวอยู่คนเดียวแล้วละ่ะเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวิ น, นัยอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็ไม่นจะอยู่คนเดียวว่ใจเรานิ่งอยู่คนเดียวก็เมื่ออยู่คนหมู่มากก็คือไม่กลัวไม่อ้างว้างาเราลองทําให้ได้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 บางทีท่านก็บอกว่าเนี่ยเพียงแต่เราไม่ไปไปค้องแวะห้องเติดอยู่กับอดีตกับอนาคตนี่ก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวในอาญาวินญาณหนืองกันนะเพราะว่ า, าเราไปไปคล้องแวะกับอดีตหรืออนาคตามเนี่ยมันจมเข้าไปในความคิดปรุงแต่งละมันหายเข้าไปในโลกซึ่งจะไม่ได้ผู้คนได้วยเยอะอย่างไปนึกไปถึงสถานที่ที่เราเคยชอบนะหรือนึกไปถึง คนที่เรารู้จักอันนี้ก็เรลวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันไปอยู่กับใครต่อใครมากมายไปอยู่กับคนในอีกโลกหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลกในอดีตหรือว่าโลกอนาคตก็ตามอันต้องเข้าใจในะการอยู่คนเดียวในอัลลีเดนไหนเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าต้องอยู่แบบดุสีอยู่แบบดุสีนั่นมันเป็นอยู่คนเดียวแบบพื้นๆแต่เราองอยู่คนเดียวแบบในลักษณะที่ว่า สามารถรักษาติดให้อยู่กับกายได้ไม่ใช่ปล่อยติดให้จราจัดเล่ล่อนไปการอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหมายความว่าจะมีคนมากมายเราก็ไม่เดือดร้อนไม่อนาทรร้อนใจเพราะเราก็รู้สว่าเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วใครเจะมาจะมีเสียงรบ ก, กวนยังไงเราก็เฉยจะมีสิ่งมายั่วยุปลกเล่าเราก็เฉยก็มันก็อยู่คนเดียว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 แต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาจิตประคองคใจให้สงบให้เป็นสุขอยู่ได้ฉะนั้นถามว่าเราพยายามที่จะรักษาจิตของเราให้มีสติมีการสมม่วนรวมอินท ร, รีย์อินทรีย์สังวรสมบรวมอินทรีย์ไม่ได้แายความว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้อะไรทั้งสิ่งที่จะมาทำให้จิตกระเพื่อมไม่ใช่ อินทรียสังเวชมนอินทรีย์ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูหรือว่าได้กลิ่นจิตเราไม่ปูไม่สัตว์จิตเราเป็นปกติได้อันนี้เรียอินทรีย์สังวชซึ่งต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยเป็นหลักเลยตามแบบเมื่อศาสนานไม่ใช่ว่าต้องปิดหูปิดตานะเคยมีรามนะคนหนึ่งก็มาสอนว่า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 แนนทางที่เดียคุมติดรักษาใจไว้ดีกว่าด้วยสติอันนี้เราเรียกว่าอินเทียสองวอนหรือจะพูดขยายควา ม, มอีกไหมก็คือว่าเป็นการใช้ตาใช้ตาดูหูฟังนะให้เกิดพผลในทางที่เป็นกุศลแต่มันไม่ใช่เป็นเรการใช้ตาใช้หูใช้จมูกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการใช้ใจรักษาใจให้มีสติด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเรามีสติ อคองใจเอาไว้ดีมันก็ไม่หลงไม่เผลอแล้วจะมีปัญญากำกับด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปค้องแวะกลับอะไรอย่างสุ่มสีสุ่มผ้าคือเห็นว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะลูกรลจินเสียงสัมผัสนิรบกกากรรมาคคุณห้าที่มันให้ประโยชน์แก่เราให้ความสุขแก่เราก็ดีเราก็จะเห็นว่าเออ มันก็มีโทษนะมันมีรสอร่อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีโทษด้วยมันไม่ใช่มีแค่อัจาริยะเงมีอัจฉนวาะ ด, ด้วยอัจาริาะคือประโยชน์คือรสชาติรสอร่อยมันมีโทษการมาคุณห้ารูปรสกิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเรียกวการมาคุณห้ามันมีคุณอยู่คือมันให้ความสุขกินอาหารก็อร่อยติดใจเพลิดเพลิน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 ให้ความสุขแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดทุกข์ตามมาแต่ไม้มันก็ดึงเราไปเพราะว่ารสอร่อยของมันเหมือนกับเยื่อเนี่ยลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็เหมือนกับเยือ่อสมมุติว่าเราเป็นปลาเราเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปแล้วเมื่อเราพุกเข้าไปหรือว่าลองงับทีแรกก็รู้สึกอร่อยแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาเพราะว่าอเด็ดมันแทงเรา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 เป็นของธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลาก็เสื่อมไปหรือมีคนแย่งชิงไปอันนี้คือโทษหรือแม้ว่ามันจะไม่อยู่ไม่มีแอาไปแต่ว่าอยู่ไปเราก็เบื่ออาหารที่อร่อยกินไปกินไปรั้งเช้าเยน็ยนเช้าเยน็ยนเช้าเยน็นเป็นเดือนก็เบื่อเสื้อผ้าเราซื้อมาที่แรกมันก็สวยดีหรอกแต่อยู่ไปนานๆก็เบื่ออยากได้เชื่อตัวใหม่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 เรากินเข้าไปอร่อยพอใจเป็นสุขแต่ว่าไม่นานมันก็จะทุกตามมาจะเป็นความเศร้าใจเสียใจที่ของหายหรือจะเป็นความเบื่อนายหรือเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ดีเหมือนอย่างที่เรานึกอย่่าางทีเรคิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่แฝงอยู่ในสุขแฝงอยู่ในการมาคุณท่าหรือว่าเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัตถุการมก็ได้ ตามมาคุณท่ามือนแล้วก็เรียกวัตถุกรรมก็คือสิ่งที่มีโทษงั้นถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่ไปเผลงับแม้ว่ามันจะอร่อยเห็นที่แรกก็อร่อยแต่ว่าเราก็จะมีสติระ ล, ลึกใ้ว่าเออมันมีโทษนะเ ท, นนเทคโนโลยีสมัยใหม่เออมันมีมมันมีแรงดึงดูดให้เราเข้าหามันอยากได้อยากใช้อยา ก, ยากมีแต่พอมีสติเราก็ระ ล, ลึกใ้ว่าเออ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 ให้ปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัตถุลูกลดจินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจริงๆมันอยู่ที่ใจเราที่ไปปรุงที่ไปเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันน่าพอใจดังหางพอเราเห็นว่าสิ่งนี้น่าพอใจแล้วก็ไปไปยึดไปติดมันเกิดเป็นอุปาทานขึ้นมาเด้วยอหน้าของกิเลสกามด้วออหน้าของความหลงคือลูกลดจินเสียงหรือวัตถุเหล่านี้เนี่ยมันก็มีของมันเองตามธรรมชาติก็เป็นของเขาเอง แต่เพราะเราไปให้ค่ามันว่าสิ่งนี้มันดีเป็นเพราะความอยากของเราเนี่ยแหละที่เราเราไปอยากจะมีอยากจะได้มันก็เราไปยึดไปติดมันมของของเข้าก็อยู่ตามธรรมชาติแต่พอเรามีกิเลสการขึ้นแล้วก็หมายจะครอบครองเกิดความสาคัญนั่นหมายว่านี่มันเป็นเราว่ามันเป็นของเราเราไปให้ค่ามันเองแล้วมื่เราไปให้ค่ามัน เ, เ, นเร า, าเกิดความอยากได้ขึ้นมา มันก็ทุกที่ไหนก็ทุกที่ใจเราดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรูปแล้วส่งเสียงเหล่านี้ทั้งหลายั้องปวงเนี่ยมันไม่มีเด็กซ่อนอยู่หรอกแต่ใจของเราต้องหากที่เราไปไปทําให้มันกลายเป็นเหบื่อแล้วก็กลายเป็นมีเด็กซ่อนขึ้นมาใจเราต้องหาคือพอเราไปอยากมันก็กลายเป็นเบือขึ้นมานทันทีถ้าเราไม่อยากมันก็เป็นของธรรมดาอย่างเช่นคนที่ธรรมดาเนี่ยเห็นมินจินดา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 เมื่อยังไม่ได้แล้วก็ทุกข์อยากจะได้เมื่อได้มาแล้วแต่แล้วมันหายไปแล้วก็ทุกข์ให้ทุกข์นี่ยมันทุกข์เพอใจเราตัางหาเพราะความยึดความติดของเราท่านต้มาแก้กันที่ตรงนี้คือแก้ที่ภายในใจเราแก้สิ่งที่เราเป็นกิเลสกรรมกิเลสกรารมนี่แหละที่ทําให้สิ่ ง, งต่างๆมันกลายเป็นวัตถุกรรมขึ้นมาอันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่ให้รู้เท่าทันงั้นถ้าเรามีปัญญาและมีสติรู้เท่าทันสิ่ ง, งต่างๆก็มี ขึ้นเอาไว้เพื่อให้เราได้ใช้โดยที่ไม่เกิดโทษเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดมันละเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่สติและปัญญาของเราว่าจะมีแค่ไหนหรือว่าเราจะเผลอไปยึดไปติดมันขึ้นมาบางที ท, ทําด้วยความไม่รู้เพราะไปนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคงที่คงตัวมันเป็นตัวเป็นตนความหลงนี้ก็ทําให้เราไปยึดไปติดมัน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 มันก็เป็นศัพท์แต่ว่าธาตุหรือมันเป็นศัพท์แปลว่าดินน้ำลงไปมาประกอบกันพูดอย่างเนี้ยจะเข้าใจยากแต่เราลองนึกดูเหมือนกับว่าเราดูภาพนะสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชัดแล้วสมัยก่อนเนี่ยภาพที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นภาพหน้าคนจะเป็นภาพรถดนจะเป็นภาพบ้านจะเป็นภาพสัตว์ขาวดํานะพอเราเอาแว่นขยายส่องไปดูเนี่ยส่องไปใกล้ๆเนี่ย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 เหมือนกับที่เราดูภาพนังนั้นสื่อจริงเก่าๆแล้วก็เราก็เห็นว่าเออที่แท้มันก็เป็นเพียงแค่สัตวแต่ว่าจุดๆๆมาประกอบกันหรือเวลาเราดูหนังดูละครเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีสตินะเราก็ น, นึกว่าจริงๆแล้วเออคนนี้เป็นสัตว์คนนี้เป็นผู้ร้ายคนนี้เป็นฆาตกรแต่ถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าเออที่จริงไม่ใช่หรอกคนนี้ก็อเป็นมิต ช, ชายบัญชาคนนี้ก็สมบัติเมทามีนี่ผูดถึงดาราสมัยก่อน นะหรือว่าสัวนั้นคงยิ่งแรงต่างเป็นต้นนะแต่พอเราเผลอมาแล้เราก็ไปนึกว่าโอ้เขาเป็นพาญาติที่ตกอับของบ้านสายทองอะไรต่างเนี่ยเวลาเราดูละครถ้าเราไม่มีสติปเราก็ไปนึก่าก็ เ, าเป็นตามตัวละครจริงจรแต่นั่นไม่ใช่มันสมมุติจริงๆริงเขาไม่ใช่จริงจริงเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละไอ้คําว่าว้างเปล่าจากตัวตนตัวตว่ามันมันไม่ยึดไปติดกับสมมุติ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 สิ่งที่สัมผัสได้นะเสานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวควมหมายเพราะมันมีเสาอยู่แต่ว่ามั น, กกมนประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมันว่างปล่าจตัวต้นที่มันเป็นเสาโอมประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมาประกอบกันแล้วเราก็สมมุติเรียกว่าเสาเราสมมุติเรียกว่าบ้านเราสมมุติเรียกว่ารถแต่พอเราส่วนประกอบต่างๆแยกออกจากกันก็ไม่เหลือตัวบ้านตัวเส า, า, าตัวรถเลยเหมือนร่างกายของเราพอแยกธาตุต่างๆแยกเอาอวิระต่างๆไปก็ไม่เหลือตัวเราไปเลย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 ไม่เพลิดเพลินแล้วก็ความไม่เพลิดเพลินการที่มีสติพิ่เตืนนาอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ที่แสงอยู่หรือความไม่ใช่ตัวตนที่มันซ้อนลึกไปอีกทีหนึ่งถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้เราก็ก็ยังหล ง, ลงกก 5, หลงวนอยู่กับอยู่กับพวกการมคุณห้าหรือว่าหลงวนอยู่กับอดีการนาคตอยู่แล้วก็ทําให้เราหลงวนตวนอยู่กับความเศร้า ความดีใจความฟูความแฟดเร็ววิสัยสงสารมันไม่จบไม่สิ้นการพยายามทำควานนเข้าใจสิ่ง ท, ที่เรียกว่าการบุคคลาหรือว่ารวมทั้งในเรื่องธรรมะลมที่รวมด้วยอิจตนะภายนอกให้ดีด้วยมันจะได้พบกับความสงบใจหรือว่าความสงบจิตเรียกที่ว่าจิตวิเวระไกแล้วก็อุปัติวิเว ร, ว ร, วเวรได้